โคลยัศน้ความพินาศแห่งทรัพยพทท์โรคลาพยัศน้าพินาศแห่งโรคภัยเบียดเบียนทิฏฐิพยัศน้กัความพินาศเพราะความเห็นผิดคําว่าทิฏฐิพยาศนา้าัพท์เนี่ยหมายความว่าสมาธิทิฏฐิมันพังมิจฉาทิฏฐิก็เลยมาแทรกแล้วก็กลายเป็นคนเห็นผิดไปศีลแพยัศน้ก็คือความพินาศแห่งการประพฤติผิดศีลก็คือกุศลศีลเกิดดีๆศีลมันพังไปนั่นเองสิ่งต่างๆทั้ง5ประการเหล่านี้เป็น ความพินาศก็บอกว่าเหตุที่เหตุที่เกิดโลภะโสมนัสก็เพราะความพินาศเหล่านี้ด้วยใช่ไหมอืมเพราะว่าความพินาศเหล่านี้ไปไม่ไปเบียดเบียนก็เลยดีใจ <im it> เหตุให้เกิดอุเบกขาโลภะอุเบกขาปฏิสนธิพร้อมด้วยอุเบกขามีความสุขขมคัมภีรภาพ <c oughs> อุเวกขาความคิดมันสุด ข, ขมกว่าละเอียดกว่าสมาัะสมานะจะความคิดที่หยาบกว่าเพราะความที่เป็นผู้ล่าเรืองดีใจเนี่ยการเจาะคิดรายละเอียดก็ไม่ค่อยเกิดเนี่ยนะประสบอารมณ์ที่เป็นกลางๆ ก, ก็พ้นจากความพินาศเหมือนกันมีสันดานเป็นคนใบ้มุกโมฆะทาตุกตาทําคําว่ามีสันดานเป็นคนใบ้นี่หมายถึงอะไร น ค, นคนไม่ค่อยพูดนี่แหละนะเป็นบ่อยไหมอัธยาศาัยไม่ชอบพูดชอบพูดตลอดมนาตเป็นยังเออคนวุนอุเกขานี่ยเขาไม่ค่อยพูดจริงนะมีสันดานอัธยาศัยเป็นคนบางคนไม่อยากพูดไม่ค่อยอยากจะพูดไม่ค่อยอยากจะสงสิงอะไรกันเป็นจริงนะบางคนเน่นแต่เราไม่ใช่อย่างนั้นเลยใช่ไหม <c oughs> ดได้ด้วยไรได้ผสมนา เคที่ทำให้เกิดเป็นทิฏฐิกตสะสัมปยุตมีความมห้นผิดเป็นอัตยาใสชอบคบไม่ศึกษาพระสาทธรรมคิดในเรื่องที่ผิดไม่พิจารณาโดยแย บ, บขายเป็นอโยนิโสอุ ม, มัชนังทันนี้อธิบายไปแล้วนี่ด้วยผลที่ผลของโลภผลที่เกิดจากโลภเป็นจิตที่สร้าง เป็นจิต ท, ที่สร้างเหตุโลภะก็คือความอยากได้ปรารถนาในอารมณ์ที่น่ายินดีเมื่อสร้างเหตุคือความโลภความยินดีเกิดขึ้นผลปรากฏก็คืออาศัยเหตุนั้นเป็นบรรดาผลที่จะเกิดขึ้นกเพราะอาศัยเหตุถึงโลภะผลที่เกิดจากโลภะก็สมัยใดมนุษย์มีสันดานมากไปด้วยโลภะสมัยนั้นก็มีเกิดทุพกพลภัยเขาเรียกทุพพลภันตรายก็คืออันตรายที่เกิดจากความแล่นแแค้น ข้าวยากมากแพงเป็นเหตุให้ความหิวความอดอยากครอบงําจนพากันล้มตายเป็นอันมากสัพพทุกต่างๆก็จะปรากฏแก่มหาชนหาประมาณไม่ได้ที่เกิดจากโลภะเอ๊ะ ท, ทำไมเป็นอย่างนั้นสัตว์ตั้งหลายย่อมเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างตามหน้าของโลภะที่มีความอยากได้เป็นมูลถามว่าตรงเนี้ยทาไมความโลภจึงเป็นเหตุให้เกิดความยากจน แล่นแค้นไอ้ความที่เมื่อเกิดความโลภเกิดขึ้นมาแล้วในสันดานของสัตว์ทั้งหลายก็จะทยานในการที่จะทำบาปใช่ไหในการที่จะไปเอาไปลักทรัพย์บ้างไปประพฤติผิดในการมบ้างเป็นต้นเหล่านี้ไปแย่งชิงของบุคคลอื่นเป็นต้นบ้างไอ้อัตยาัยที่เกิดจากโลภเนี่ยแปลกมันน่าจะได้เยอะแต่ที่ไหนได้ความโลภเป็นเหตุให้ยากจน แต่ถ้าให้ถ้าสละแบ่งปันเป็นเหตุให้มีทราบ ง, งี้เป็นต้นสัตว์ทั้งหลายโดยมากไปเกิดเป็นเปรตเป็นาราศกยทั้งหลายโลภะจิตเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์สัจจะก็คืออาศัยสมุทัยสัจจะเป็นเหตุโลภะในชาติอดีตในการทํากรรมเป็นเหตุก็ได้ชาติติดทุกข์ชราทุกขมรณะทุกข์จึงเกิดขึ้นเป็นผลโลภะในปัจจุบันคือความหวังความต้องการความอยากได้าการคุณอารมณ์เป็นเหตุ โสกะปริเทวะทุกขโทมลัสสาุปายาสจึงปรากฏเกิดขึ้นเป็นผลอันนี้ก็คุนพูดถึงผลนะว่าอาวิชชาตัญหาอุปาทานนั่นแหละเป็นเหตุให้ได้ชาติทุกข์ก็ได้ขันห้ามาได้ขันห้ามาเกิดขันห้ามาแก่ขันห้ามาตายส่วนเก็บด้วยนะ่นริงัดนแต่ถ้าโลภะในปัจจุบันก็ทาไม่ได้โสกะความโก พระริเทวะบนเพอ้อโทมนาตความทุกข์ใจอุปายาสาก็ความเหือดแห้งจิตใจใจมันแห้งผากลงไปเลยอุปายาสา น, นี่เป็นผลโอ้โหผลของความโลภมีทั้งมองอันนี้เริ่มเห็นแล้วเห็นไอ้ผลของโลภะตรงนี้จับประเด็นให้ได้นะผลของโลภะเนี่ยจับประเด็นให้ได้ว่าโอ้โลภะเป็นเหตุทิ้งเกิดเกิดความ เ, าเกิดเข้ายากหมากแพงก็คือจนนั่นเอง ถ้าต้องการอยากให้เกิดวิบัติพอรัพย์มากๆก็สอนให้มนุษย์เกิดความโลภกันเยอะๆเนีเรามีเรื่องราวต่างๆสอนวัตถุ ก, กรรมให้ค้นข่อยคว้าสแสวงหาวัตถุการมหมกมุ่นในวัตถุกรร ม, ม, ม, รรมแล้วก็แย่งชิงวัตถุกรรมกันด้วยความโลภมากๆาๆแล้วโลกนี้ก็จะเกิดอันตรายประเภทเนี้เข้ายากหมักแพงเนี่ยมันจะโลภะกรรมที่เป็นมีโลภะเป็นมูลก็จะเป็นเหตุทําให้เราประสบอย่างเนี้ย แล้วก็โลภะในอดีตกับโลภะในปัจจุบันอย่านั้นก็เป็นการแยกนะเพื่อเห็นชัดขึ้นเทนเั้นองเาต่อไปโทสะเมื่อโทสะเนี่ยมูรจิตเนี่ยเป็นจิตที่เกิดพราะมีโทสะเป็นเหตุจริงๆเขาเรียกตรงนี้เขาไปแปลว่าความไม่ปรารถนาเขาเรียกปทัทศลายนะจริงๆนะปะทัทสลายอารมณ์ไม่ปรารถนาไม่อยากเข็นไม่อยากได้ยินไม่อยากได้กลิ่นเนี่ยโทสะเป็นตัวนํา โทสะเป็นเจตสิกที่ปรุงแต่งจิตให้เกิดความโกรธจริงๆแล้วก็ความเกลียดความเสียใจความกลุ่บลำคาญใจความกลัวทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้ น, นั่นเป็นจิตที่ถูกโทสะเจตสิกที่ครอบงำก็ประทุสร้ายอารมณ์ที่บอกว่ามีลัคณาเจตุกาก็คือว่าจันทิกะลัคนโหนี่ห ย, ยาบกระด้าง สภาพจิตเวลาเกิดโทสากมาเป็นจิตที่หยาบเป็นจิตที่กระด้างเป็นลักษณะคำว่าหยาบในที่นี้คือเป็นจิต ท, ที่ไม่อ่อนโยนใช่ไหยเป็นจิต ท, ที่ไม่อ่อนโยนเป็นจิต ท, ที่ไม่นุ่มนวลเป็นจิต ท, ที่ไม่ควรต่อการงา น, งานเป็นจิตที่หยาบกระด้างแข็งนิสยาทาหะนารโสก็มีการทำให้จิตใจของตนและบุคคลอื่นหม่นไหม้เป็นกิตคือจริงๆบางแห่งท่านใช้คาว่ามันเข้ามาเผาข้างใน ตรงเนี้ยเผาข้างในเผาข้างในก็คือทําให้สภาพนามธรรมา ท, ทั้งหลายเนื้อเวลาโทสะเจตสิกเกิดขึ้นมาเผาจิตนะให้มีความหม่นไหม้แล้วก็เผาภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินเสียมราศิการที่มันเกิดในในจิตเหล่านั้นวิตกวิจา ร, ราเนี่ยอธิโมกวิริยะเนี่ยฉันทะเนี่ยเผากลุ่มธรรมเหล่านี้ด้วยแล้วก็ในนั้นยังมีทั้งโทสะอิสาไมฉริยะกุกุจจา โมหะหินิการโนตปาอุทะจักกลุ่มของกุศลทั้งกลุ่มอ ก, กุศลและธรรมทั้งหลายเลยเนี้ยถูกเผาไหม้หมดนีแล้วพอไหม้ตันเองไม่พอเนี่ยไหม้นามาทำก็ปไปไหม้หัตยาวัตถุว่าไปเถอะหมายถึงก็ทําให้ความแปลปวดในร่างกายโยเนเองแล้วก็แสดงออกมาก็เลยเป็นไหม้ผู้อื่นเป็นกิจทูสนาปจจุปถานโนก็มีการปรทุษล้ายอารมณ์เป็นอาการปรากฏเขาว่าปรทุสร้ายก็คือเป็นการที่เข้าไป เข้าไปทําร้ายเข้าไปประทุษสลายไม่ปราถนาโดยการต่างๆอะไรเป็นเหตุใกล้ของเขาอาคาตะวัตถุประทัดฐานโนอาคาตวัตถุคืออะไรวัตถุที่เป็นเหตุแห่งความอาคาพยาบาทเช่นยังไงดีอาคาตวัตถุเช่นยังไงรู้จักคําว่าอาคาตวัตถุไหมมีอะไรบ้างเข า, เขาเค ย, เ ข, เ, คยเขาเคยทําความเสียหายหกับเรา เขากําลังทําความเสียหายให้กับเราเขาจัดทำความเสียหายกับเราเป็นต้นอะไรเนี่ยเป็นกระบวนการความคิดอย่างนี้เขาเคยทําความเสียหายคนที่เรารักเขากําลังทําความเสียหายกับคนที่เรารักเขาจัดทำความเสียหายกับคนที่เรารักแล้วอะไรอีกเคยทำประโยชน์เค้าทำประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียดเออใช่กำลังทําประโยชน์และจัดทําประโยชน์ได้เก้าแล้วสิบแล้วอะไรสิบอะไร อาคารถวรุมีสิบเนี่เมื่อกี้ได้เก้าเลยไหมสามสามเก้าสิบก็นี่ไงฝนตกฝนไม่ตกใบไม้ล่วงใบไม้ไม่ล่วงใช่ไหมห้องรกห้องไม่รกเนี่ยลำคาญหมัวนเป็นลำคานไหมเนี่ยสิ่งต่างๆตรงนี้แหละเนี่ยเป็นอาคาทวตถุทั้งหลายนี่เป็นเหตุนะเหตุอา้าวเหตุที่ทําให้เกิดเอ่อเกิดอาคาไอความโกรธขึ้นมาเ้าเรียกว่า อาคาตะวัตถุปทัตฐานูเอาไม่ใช่อันเดิมไม่ใช่เมื่อกี้อ๋อโอเคมีค่ะอาคารตะวัตุดวงดูโทสะต่อเมื่อกี้ดูกลับไปดูที่โทสะเมื่อกี้ต่อเมื่อกี้ได้ขยายด้วยอาคารตะวัตถุตรงนี้เราก็ไม่มีอะไรเนี่ยตัวเนี่ยโทสะ ม, มุรจิตได้ไหมไมใช่ตัวนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ใช่นี่เออฉะนั้นโทสะมุรดจิตเนี่ยมีสองดวงก็คือ จิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความเสียใจประกอบด้วยความโกรธนี่แปลของของโมนิทีนี่เขาจะลอกไปจากหนังสือของอาจารย์โชแต่เข้าไปขยายได้ดีกว่าเดิมหน่อยกันจะมีของอาจารย์โชนี่เป็นหลักแล้วก็จิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนพร้อมด้วยความเสียใจประกอบด้วยความโกรธก็คือว่าเป็นอสังขาริกกับสังขาริกโทมนัสสักขะตังปฏิกัสสมยุยตางโทศสามุลจิตนี่มีสภาพ3าประการ ทมนัต ส, สักาตังก็คือเกิดพร้อมด้วยความเสียใจคําว่าทุมมานัเนี่ยแปลตามัพท์แปลก็แปลว่าใจชั่วใจไม่ดีมีใจชั่วก็คือว่ามีภาวะแห่งใจชั่วเร่าร้อนเศร้าหมองบุคคลไม่มีใจชั่วก็ชื่อว่าโทมมนัตทมนัตเอาเน้นๆก็เอาอเ ข, อของม า, นมน า, มนาเนี่ยตัวโทุมมานัตสทุมนัตเนี่ยองค์ธรรมก็ได้แก่เวทนาเจดสิกห โททิ้องค์ทำได้แก่เวทนาเจตสิกก็คือธรรมชาติที่สวยอารมณ์เป็นเวทนานเป็นหนึ่งในขนันห้าทุกขเวทนาสุขเวท น, นาสนามานัสเวทนาโทมนัสเวทนาและเวขาเวทโทมานัสเวทนาในเกิดพร้อมกับโทสามูนจิต2อดวงเนี่ย เกิดพร้อมกันกับจิตอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อโทสะมุรจิตเกิดขึ้นขนาดใดขนาดนั้นโทมนานัสเวทนาก็จะต้องเกิดพร้อมด้วยเสมอจึงเรียกว่าโทมนานัสสะกโทมานัสเปิดตัวโทมนานัสเวทนามันจะมีสองส่วนเนาะตัวโทมนานัสเวทนากับตัวปฏิฆาสัมยุตตังคําว่าปฏิฆาเนี่ยก็แปลว่าประกอบด้วยความโกรธปฏิฆาก็ปแปลว่าความโกรธความคับแค้นหรือการกระทบกระทั่งเนี่ย ก็คือมีสภาพปัทุสลายทำลายอารมณ์ที่กระทบให้เสียหายองค์ธรรมของปฏิฆะก็คือองค์ธรรมได้แก่โทสะเจตสิกลฤติปฏิฆะโทสะนี่เป็นภาวะที่ต้องประกอบกับทมนัสเวทนาให้สังเกตดูนะเวลาเขาโทสะเจตสิกเนี่ยเวลาเขาเกิดร่วมกันกันกบเกิดร่วมกับทมนเสเวทนา โทมานัสกับปฏิฆามีสภาพที่ต่างกันนะเดี๋ยวไปที่หลังด เ, เดี๋ยวจะโทรไปบอกทีวันที่ตรงนี้ก็จะให้สังเกตดูนะว่าต่างกันต่างกันก็ตรงที่ว่าโทมานัสกับปฏิฆ า, าทมานัสเนี่ยเป็นสภาวธรรมอย่างหนึ่งก็คือเป็นตัวเวทนาขันธ์ มีการเสวยอารมณ์ที่ไม่ดีธอมนาสเสวะธนาเนี่ยเขาจึงเรียกว่าลักษณะของธอมนาสเสวะธนาเป็นอย่างไรบอกเขาบอกมีการเสวยรสของอารมณ์ที่ไม่ดีนะเป็นลักษณะใน ล, ลักษณะเขาจะเป็นงี้ส่วนปฏิฆาเนี่เป็นเจตสิกนับเนื่องในสังขารละขันขละขันกันเลยเนะมีการปรทัทธรายอารมณ์เป็นลักษณะลักษณะเขากับการเสวยกับปทัทธร้ายต่างกัน แต่สองตัวนี้เวลามาเกิดร่วมกันแล้วคนก็ไปเข้าใจว่าเป็นตัวเดียวกันแท้จริงคนละตัวเลยแสดงว่าในในสองขันเนี่ยเขาทําหน้าที่เกื้อกูลกันตัวโธมนัสเวทนาก็ทําหน้าที่ในการเสวยอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเป็นลักษณะคําว่าไม่น่าปรารถนาอารมณ์นั้นดีก็ได้แต่ เ, เมื่อไม่ชอบใจขึ้นมาปุ๊บเขาจะมีการเขาจะเห็นว่าไม่ดีทันทีเลยเนยีอย่างก็มองว่าอย่างเนี้ย แอปไอไอแพดไอโฟนหรือ App, Apple หรือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าเขาไม่ชอบใช่ไหมด้วยการที่ไม่ชอบขึ้นมาเนี่ยเขาเกิดโทมนาสเวทนาเนี่ยเขาจะมองว่ามันไม่ดีเนี่ยไม่ดีเนี่ยส่วนปฏิฆาก็คิดปฏิทุสลายอยากจะทิ้งอยาไม่อยากดูไม่อยากเลยเนี่ยเนี่ยมีการปฏิทุสลายเลยเนี่ยเขาจะทํา ก, กิจร่วมกันแบบนี้ไอตัวโทมนาสเวทนากับสังขารละขันไอเวทนาขันกับสังขารละขัน แวินนไอ้สังขารขันตัวนี้ก็คือปฏิฆาทได้แก่โทสะเจตสิกเห็นไหมปฏิฆาไม่ใช่จิตนะปฏิฆาตัวนี้แปลว่าเจตสิกโทสะจิตอีกอย่างเออก็มองให้เห็นให้ชัดขึ้นร่วมสองประการเนี้แมต้ต่างกันโดยสภาวะแต่ด้วยอำนาจแห่งอะไรโทรจิตตุปบาทแปลว่าอะไรด้วยอำนาจแห่งโทสะจิตที่เป็นประธาน ก็มาเกิดร่วมกับจิตนี้แล้วโทมัสเวนาก็ต้องเกิดร่วมกับปฏิฆะเสมอไปพอมาเกิดร่วมปุ๊บมาเกิดร่วมกันปุ๊บเป็นอุ ป, อ ป, อ ป, ปาธาการเกิดขึ้นจิตุบาทการเกิดขึ้นในโทศาสจิตปุ๊บก็กระทำงานร่วมกันส่วนคําว่าอสังขาริ ก, กังเนี่ยเป็นอาการที่ปฏิฆะมีกําลังก้าแข็งไม่ต้องอาศัยการชักชวนไม่ต้องอาศัยกายประโยควจีประโยคะหรือแม้มโนปโยคะเนี่ยแทบไม่ต้องอาศัยเลยบางที ไม่ต้องปรุงแต่งจิตตนเองบ่อยๆบอย่บอๆๆไม่ต้องกระตุน้นกระตุน้นกระตุ้นนะคือมันเป็นออโตเมติกเป็นอัตโนมัติของมันเลยว่าไงเถคนองค์คนเป็นขนาดนั้นไหมฟืดฟืดขึ้นมาเลยเนี่ยนะโดยเฉพาะที่ว่าอารมณ์ไม่ต้องอยู่เฉพาะหน้าอสังขาริ ก, กังนี่เข้าใจนะศ ส, สังขาริกนี่เป็นจิตที่ต้องเกิดขึ้นโดยการมีการจากักจวนต้องอาศัยการกระตุน้นเออท่างเกียร ด, ดูนะในชีวิตของพวกเราเนี่ยโทรศัพ์ของเราเนี่ยเป็นกลุ่มไหน กุมอสังขาริหรือ ส, สังขาริเวลาจะโกรธใครสักคนเนี่ยต้องมีคนกระตุ้นไหมหรือว่าคิดเองแล้วโกรธได้เลยต้องอาศัยแรงกระตุ้นไหมมากไหมต้องใส่มากมคนอื่นกระตุ้นแล้วโกรธมีไหมคนอื่นมาเล่าเรื่องคนนั้นที่ไม่ดีมาทําประทุจล้ายเรามาอะไรเราไม่โกรธใช่ไหมแต่าอาใส่ตัวเองว่างั้นเดียวคนเราไม่เหมือนกันบางคนแค่คนอื่นพูดปั๊บปี๊ดึ้นมาเลยเนะี่ย ดังตัวธรมนัทและปฏิฆาเนี่ยอาศัยอาศัยการที่ได้ประสบกับอ น, นิทาลมในทางที่ได้กล่าวเนี่ยเป็นเหตุที่เกิดสิประการอาคาทถวถัตุอี่นี่ก็มางยีตรงนี้เหมือนกันอันนี้ไม่ต้องว่าเพาว่าไปแล้วอาคาทถวถัตุนี้ เ, ออเหตุในอดีตเนาะนี่น่าสนใจเหตุที่ทําให้เกิดโทสะหรือให้เกิดปฏิฆา ก็คือโทสัจชาศิยะตามีอัธยาศัยเป็นคนมักโกรธคำว่ามัมากเนี่ยมักโกรธกับผูกโกรธไม่เหมือนกันมักโกรธก็คือเป็นคนโกรธบ่อยๆงุดหงิดบ่อยๆเครียดบ่อยๆเนี่ยเวลาวิธีการจะสั่งสมให้เป็นคนขี้โกรธก็วิธีแบบเนี้ยใช้อายนุนิสมงสิการกระตุ้นกระตุ้นบ่อยๆมองเห็นอะไรก็มันงุดหงิดบ่อยๆมองเห็นจุดด้อยบ่อยๆเห็นข้อบอกพร่องคนบ่อยๆเนี่ย เคยฝึกแบบนี้ไหมล่ะถ้าฝึกแบบนี้จะกลายเป็นคนขี้ลำคานดันดีว่างเถนี่ยมองเป็นคนขี้ําคาญมองในจุดตั้วอยู่ตลอดเวลาใส่ใจในทางที่ไม่ดีของคนอื่นตลอดเวลาระแวงคนอื่นตลอดเวลาเนี่ยหวาดกลัวคนอื่นกลัวคนอื่นทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนะแล้วก็อาักขมภีระ ป, ปากักกาติตาก็คือมีความคิดไม่สุ ข, ขมุมไม่ต้องไปคิดละเอียดไม่ต้องไปคิดซับซ้อนอะไรไม่ต้องไปแยกแยะเหตุและผลอะไรเนี่ยคือมันไม่ดีก็โกรธมันไปเลยว่างั้นเถอะ ม, มองเห็นสวนไม่ดีก็โกรธเลยแล้วก็มีการศึกษาน้อยนี่โอ้ี้คาว่าศึกษาเนี่ยตรงนี้อปะอปะ ส, สุตตานี่สุตตานี่มีสุตตาน้อยอปัตสุตตาน้อยก็คือมีข้อมูลน้อยคนที่มีข้อมูลน้อยจะเป็นคนขี้โกรธใช่ไหคนที่มีข้อมูลมากศึกษาอะไรมากมา ก, มากเนี่ยจิตเปิดจิตเปิดกว้างคนที่รู้อะไรแบบแคบแคบเนี่ย จะเป็นคนคับข้องง่ายมุดหงิดอะไรได้ง่ายรับรู้อะไรเนี่ยแล้วก็ฟังฟังความคิดเห็นต่างก็เครียดคือเราเห็นแบบใดก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเคยเป็นไหมละ่ะยึดความเห็นตนเองถ้ามีใครมาหักร้างความเห็นตนเองปุ๊บโกรธขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยพวกที่สุดตะน้อยจะเป็นอย่างนี้แต่คนมีสุดต่มากเวลามีใครมาแสดงความคิดเห็นต่างึ้นมาปุ๊บละเอใจเลยเออเออเฮ้ยเ้ยเนี่ย มุมนี้เราไม่ได้คิดด้วยรู้สึกโอ้โหเนี่ยเป็นประโยชน์มากเลยเนี่ยโอ้ยขอบใจในใจเลย เ, ยเป็นเราเป็นแบบนี้ ไ, ไหมเห็นไหมแ้่ตรงนี้เป็นคนที่มีสุตตะน้อยเนี่ยมันมันพวกไอพวกสุตตะน้อยนีย่มีผลเสียจริงนะจิตแคบเป็นคนไม่ชอบฟังคนอื่นนะไม่ชอบฟังเสียงรอบข้างเออแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือ อันนี้ฐารัมณะสมาโยโคสมาประกอบก็ได้ประสบก็ได้ประสบแต่อารมณ์ที่ไม่ดีบ่อยๆ อ, นะอยู่สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีอะอยู่คนกับคนขี้โกรธสภาพของคนขี้โกรธขี้เครียดลงไปอยู่ด้วยไม่นานเราจะกลายเป็นคนแบบนั้นลแล้วก็อาคารแวัตถุสมาโยโคก็ประสบกับอาคารแต่วัตถุ ออโทษสามวุฒิจิตเป็นจิตที่มีแต่ปฏิฆาสัมพยุสหรือประกอบด้วยความโกรธแต่ไม่มีความเห็นผิดประกอบคือที่ติขตัดสัมพยุ์เนี่ยสภาพอารมณ์ที่น่าน่ายินดีพอใจแต่โทสามนี่มีสภาพอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจความยินดีพอใจจะเกิดพร้อมกับความไม่พอใจในขณะเดียวกันไม่ได้ตรงนี้ก็เลยให้ข้อสังเกตเขาไว้นะก็คือสรุปก็คือว่ามีปฏิฆาสัมพยุ์ไม่มีทิ่ติสัมพยุ์เอ๊ะทำไมไม่บอกว่าทำไมไม่มีความเห็นผิดด้วย วิธีอธิบายตรงนี้ต้องบอกอย่างนี้ทิฏฐิเนี่ยเขาเกิดร่วมกันกับสมนัสกับเววนากับอุเบกขาเวทนาแต่โทสะนี่เกิดร่วมกับโทมนัสเสทนาไอตัวเวทนานี่แหละเป็นตัวแบ่งขีดเป็นแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งชนชั้นก็แบ่งแบ่งแบ่งภาคเขาถ้าไม่มีความต่างกันอย่างนี้เนะี่ยเป็นอย่างนี้